มงกุดไพรเล่มสี่ตอนที่208ภายในห้องโถงกลางที่พักของฝ่ายเชืฐาบัดนี้ได้ถูกจัดให้เป็นห้องเลี้ยงอาหารขนาดใหญ่พอสมควรแม้จะดูไม่หรูหราเท่ากับที่ศาลาปาริชาตของเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างภายในห้องก็ถูกประดับประดาวไว้อย่างเป็นระเบียบงดงามด้วยประทีปโคมไฟและปวงดอกไม้นานาพันธุ์อันประดับเป็นซุ้มพุ่มและเส ป, ปักอยู่ในแจกันคนโท มองดูผาดผ่าดเหมือนห้องเลี้ยงภายในโฮเตลขนาดใหญ่ที่ถูกจัดไว้อย่างรูหราเต็มที่เพียงแต่สัพพสิ่งที่ประดับประดาอยู่นั้นได้ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นเครื่องไม้ใช้สอยในอินการย้อนหลังไปประมาณ 3,000 ปีฉะนั้นแท่นวงกลมสำหรับวางสัพพโพชนาหารและผละไม้ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนตั้งอยู่ไม่ห่างกันนะักแท่นหนึ่ง จะเป็นที่นั่งรายล้อมของบรรดาพรานพื้นเมืองและพวกลูกหาบทั้งหมดอันประกอบด้วยลูกหาบของทั้งสองฝ่ายพรานพื้นเมืองอีกสี่คนของรพินนานอินขยินและส่างปารวมแล้ว27คนส่วนอีกแท่นวงกลมหนึ่งมีขนาดย่อมลงมาเล็กน้อยแต่จัดประดับไว้หรูหรากว่านั่นเป็นโต๊ะของกลุ่มเจ้านายทั้งหลายของฝ่ายเชืาสี่คนมีตัวเขาเองชั ย, ยันอนุชาดารินระพิน ส่วนทางฝ่ายสแตนลีย์ก็จะมีตัวหัวหน้าคณะอเมริกันคิดอิซาเบลคริสตินาและเชิร์ดวูดและถ้าเสด็จมาร่วมด้วยอีกสองคนคือกษัตริย์จักราธิราชและราชนีเมยานีรวมแล้วฝ่ายเจ้านายทั้งหมดก็จะเป็นจำนวน12คนรวมทั้งรพินณเวลานั้นภายในห้องดูเหมือนทุกคนจะมาชุมนุมกันพร้อมหมดแล้ว ทั้งฝ่ายเชษฐาและฝ่ายของสแตนลีย์กับคณะที่เพิ่งจะมาถึงและกำลังยืนจับกลุ่มสนทนากันอยู่เพื่อรอรับเสด็จจากกราธิราชและเมญานีซึ่งได้รับสั่งบอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะเสด็จมาร่วมด้วยอย่างไม่เป็นทางการแต่เป็นการมาอย่างเพื่อนหรืออีกในหนึ่งเจ้าภาพทั้งสองพระองค์ยังไม่ได้เสด็จมาถึง แต่อัครมนตรีผู้ใหญ่ได้ล่วงหน้ามาก่อนแล้วเพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบว่าจะเสด็จมาถึงในชั่วอีกไม่นานนี้นักส่วนทางด้านของเชษฐานั้นทุกคนกระสับกระส่ายโกรนกระวายเชเงือนแลดูอยู่เพราะน้องสาวคนเล็กป่านนี้ยังไม่ปรากฏตัวขึ้นทั้งๆ ท, ที่ฝ่ายของสแตนลีย์มาถึงพร้อมกันหมดแล้วประมาณ 3- 4นาทีและต่างยิ้มแย้มแจ่มใสกรกเข้าจับมือทักทายกัน ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามพระราชศาวัทีของเมยานีนั่นก็คือทุกคนล้วนอยู่ในเครื่องแต่งกายเยี่ยงบุคคลชั้นสูงของมรกรนครหลากสีสันซึ่งได้ถูกจัดเตรียมไว้ให้ก่อนแล้วพร้อมทั้งพนักงานที่จะคอยช่วยเหลือตกแต่งให้พวกสุภาพบุรุษผู้อยู่ในชุดเสื้อคลุมยาวอันเป็นชุดสบายๆปักด้วยเลื่อมและลูกปัดคงมีแต่รพินไพรวันคนเดียวเท่านั้นที่ยังสวมชุดเดินป่าของเขาอยู่เช่นเดิม วิ่นนำซ้ำหมวกสกสาดดำเป็นขี้เป็ดก็ยังคงครอบอยู่บนศีรษะตามธรรมชาตินิสัยของเขาถ้าจะดูผิดไปบ้างก็แต่เพียงว่าเขาได้เลือกเอาชุดเดินป่าที่มีตำหนิขาดน้อยที่สุดและซักใหม่เอี่ยมมาสวมใส่ในคืนนี้ทำให้ดูผิดประหลาดแปลกออกไปกว่าทุกคนเพราะไม่แต่พวกลูกหาบทั้งหลายก็ยังถูกสั่งให้แต่งกายเยี่ยงชาวมรกตนครและดูโออารุราลานตาไปหมด คงมีแต่เจ้านายของพวกเขาคนเดียวเท่านั้นที่ยังอยู่ในชุดพรานป่าตามเดิมเพียงแต่ว่าดูไม่ถึงกับกระรุ่งกระริ่งมากนักเท่านั้นทางฝ่ายสแตนลีย์ที่พักอยู่ด้วยกันและมองเห็นอยู่ก่อนแล้วนั้นคงจะมีการทักท้วงอะไรกันมาก่อนแต่รัพินไม่สนใจคงแต่งกายของเขาตามปกติสภาพไม่ยอมแต่งแบบเดียวกับพวกนั้น และเมื่อเขานำคณะมาถึงฝ่ายของเชษฐาก็พากันร้องโวยวายทักปนหัวร่อลัน่นเบลบอกกับผมว่าบีโรมันเคว n y o อ are i ินโรมแต่ผมว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนผมก็คือรัพินไพรวันนั่นแหละอย่าให้ผมต้องแต่งเป็นอย่างอื่นเลยเขาบอกยิ้มๆกับพวกของเชษฐาที่พากันมามุงถามระวังพระราชนีจะทรงกริ้วเอานะและทรงขอร้องพวกเราทั้งหมดไว้แล้ว ชายยันท่วงขึ้นปนหัวเราะจะทรงกลิ้วโดยไม่ให้ผมร่วมโตวสวยด้วยก็ไม่เป็นไรผมจะได้กลับไปหรือจะลงโทษอย่างไรก็ตามสบายผมจะแต่งของผมอย่างนี้แหละเขาตอบหน้าตาเฉยแล้พยายามสอดสายสายตาหาแม่ดอกฟ้าดาหลินของเขาแต่ในขณะนั้นยังมองไม่เห็นแม้แต่เงา สำหรับฝ่ายของเชษฐาและพลานพื้นเมืองของเขาทุกคนขณะนี้ต่างพากันมองตะลึงแลไปยังสองสาวอเมริกันซึ่งงามแปลกตาไปเหมือนดาราภาพยนต์ที่กำลังจะเข้าฉากในเรื่องราวโบราณย้อนอดีตอะไรสักเรื่องหนึ่งฉะนั้นเบลอยู่ในชุดแพรสีชมพูสวยเหมือนเจ้าหญิงในเทพประการนาของกรีกมีรัดเกล้าเพชร เป็นสร้อยสวมอยู่บนทรงผมและเพชรเม็ดใหญ่สีชมพูเช่นกันประดับอยู่เนื้ออุณาโลมกลางหน้าผาของหล่อนส่วนคริสตินาคืนนี้หล่อนอยู่ในชุดยาวเลื่อมเหมือนเนื้อผ้าจะทำด้วยกำมะหยี่สีม่วงอ่อนเปิดหลังลึกถ่วงเป็นริ้วอยู่ตรงคอเบื้องหน้าชุดประดับของหล่อนเป็นไพรินและนินประดับเพชรล้วนงามอย่างเยือกเย็นและเร้นลึกสวยจริงๆสวยอย่างจับจิตทั้งสองคน เป็นพระดาริที่ดีมากของราชนีเมญานีที่ให้เธอทั้งสองแต่งตัวแบบชาวมรกฏนครเช่นนี้เช่นถาร้องทักพร้อมกับหัวเระเบาๆขณะที่เข้ามาโอบแตะไหลทั้งสองอย่างสนิทสนมเอ็นดูขอบคุณค่ะพี่ใหญ่สองสาวอเมริกันเอ่ยขึ้นพร้อมกันเสียงของคริสนั้นแผ่วและสํารวมอ่อนโยนส่วนเสียงของเวลดังแหลมพร้อมกับแม่ผมแดงก็ทาเป็นมองกวาดตาไปรอ บ, รอบ ฉันกำลังมองหากล้องทีวีหรือกล้องถ่ายหนังอยู่นะคะนี่เขาแอบตั้งไว้ที่ไหนบ้างหรือเปล่าคำพูดของหล่อนทำให้ทุกคนหัวเราะครืนบรรยากาศเต็มไปด้วยความแช่มชื่นครื้นเครงอนุชาเคลื่อนเข้ามาใกล้คริสจ้องมองพินิจลึกซึ้งและกระซิบเบาวๆว่าไม่ว right, right ่าจะอยู่ในชุดไหนเมื่อไรอย่างไรคุณงามสง่าเหลือเกินคริสงามอย่างชนิดที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องอิจฉา แต่คืนนี้คุณไม่น่าจะเลือกชุดสีม่วงเลยนะมันขับผิวคุณก็จริงแต่เราถือกันว่าสีม่วงเป็นสีแห่งความผิดหวังหลอนยิ้มออกมาจางๆเอื้อมมือมาจับมืออนุชาไว้แล้วกล่าวกับเขาอย่างสนิทสนมว่าฉันไม่คิดว่าฉันจะต้องมีความผิดหวังอะไรหรอกค่ะพี่กลางทุกสิ่งทุกอย่างมันสำเร็จผลลุล่วงไปหมดแล้วและฉันก็หมดหน้าที่ในการมาทางานเพื่อไถ่โทษ ถถอนความผิดตามทันบนที่หน่วยเหนือเข้าให้ไว้แล้วน้อยอยู่ไหนคะนี่ตั้งแต่พวกเรามาถึงก็มองหาอยู่นี่ยังไม่เห็นเลยแม่นี่แต่งตัวช้าที่สุดถ้ามีเวลาประเดี๋ยวคงออกมากระมังชา ย, ยันเป็นคนพร่องออกมาจ้องทั้งคริสและเบรล์ตาเป็นมันผิดไปกว่าทุกครั้งจนเชืฐาต้องตบหลังโดยแรงเหมือนจะเตือนเมื่อ น, นั้นชา ย, ยันจึงรู้สึกตัวยิ้มแ ย, แย่ แล้วหันไปทักทายกับคีตและสแตลลี่ซึ่งกําลังคุยอยู่กับเชษฐาคืนนี้เราคงจะรับประทานอาหารกันอย่างโล่งอกและมีความสุขกว่าคืนที่แล้วเพราะอะไรต่ออะไรมันก็ผ่านพ้นไปแล้วโดยทางฝ่ายเราไม่ต้องมีกังวลอะไรอีกขอให้เราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับคุณชายเชษฐาคุณชายอนุชาและคุณชัยยันแน่นอนเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปจนกระทั่งวันที่เราแยกจากกันทีเดียว อนุชากราวอย่างหนักแน่นจับมือสแตนลีย์และคิดบีบเขย่าโดยแรงเราคงมีโอกาสได้คุยอะไรกันสนุกสนานนานเป็นพิเศษทีเดียวสำหรับคืนนี้อดีตพรานชดว่าพวกผมกำลังมองหาฝ่ายของคุณอยู่คนหนึ่งครับเธอไม่ปรากฏตัวอยู่ที่นี่ด้วยคุณหญิงดารินคิดเอ่ยออกมาพลางกวาดตามองไปรอบๆประเดี๋ยวคงออกมากระมังนี่ก็ใกล้เวลาเสด็จแล้ว พวกเรามีความรู้สึกเสียใจบ้างเล็กน้อยที่ไม่มีโอกาสที่จะร่วมแสดงความยินดีกับระพินและคุณหญิงดารินด้วยเมื่อคืนนี้เราเข้าใจดีว่าเป็นเรื่องระหว่างกันเองภายในโดยเฉพาะแต่สำหรับคืนนี้เราขอถือโอกาสนี้มาแสดงความยินดีด้วยสแตลลี่เอ่ยขึ้นอย่างยิ้มแย้มแช่ถามมีอาการงงเล็กน้อยเอ๊ะพรานใหญ่บอกอะไรคุณหรือครับระพินหรือจะบอกอะไรกับพวกเรา ไม่มีวันเซระถ้าเขาจะบอกกับเราก็โนโยนพายุร้ายกําลังจะมาหรือไมิฉชนั้นอันตรายกําลังใกล้เข้ามาแล้วนอกนั้นเขาไม่เคยบอกอะไรเลยแต่เราทราบข่าวดีนี้จากบรรดาพวกพราลูกน้องสี่คนของเขานั่นก็คือระพินได้แต่งงานกับสตรีคนที่เขาแสนรักนั้นแล้วเมื่อคืนนี้ต่อหน้าพวกคุณทั้งหลายรวมทั้งกษัตริย์จักรราชและราชนีเมยานีผู้เป็นสักขีพยานอยู่ เรายินดีด้วยจริงๆแม้พวกเราจะไม่มีโอกาสได้ร่วมรู้เห็นด้วยก็ตามคืนนี้จึงขอโอกาสฉลองเสียเลยหัวหน้าคณะอเมริกันกล่าวปนหัวเราะ ก, กับเชฐฐื่าผู้อึงไปขณะหนึ่งแล้วอดีตท่านทูตทหารบกก็บอกว่า <c oughs> การแต่งงานระหว่างรพินและน้อยไม่ได้มีการตรตรีมอะไรจากพวกเราก่อนทั้งสิ้นแต่เป็นการวางแผนไว้ก่อนแล้วของพระเจ้ากรุงมรดกนครกับพระราชนี พวกเราก็เลยจำเป็นต้องตกกระไดพลอยโจรไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังอะไรพวกคุณหรอกและถึงไม่แต่งงานเมื่อคือนที่ผ่านมาแล้วเขาทั้งสองก็จะต้องมีชีวิตครองคู่กันอยู่แล้วเพราะเขารักกันมากและติดตามกันมาจนสุดล่าสุดแผ่นดินหรือยังไงระพินประโยคหลังเชษฐาหันไปถามระพินยิ้มยิ้มจอมพรานก้มศีรษะตอบอย่างสงบว่าครับผม ระหว่างผมกับคุณหญิงดารินนั้นถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานถึงอยู่ในใต้ล่าสุดธาทานขอพบพานพิสวัต์ไม่คลาดคลานี่คือสิ่งที่เราทั้งสองตั้งปณิธานเอาไว้ตรงกันฝ่ายอเมริกันฟังแล้วยังง ง, ง, งอยู่แต่เชษฐาอนุชาและชัยยันตบมือเกลียวขอให้มันเป็นอย่างนั้นเถอะแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นล้วก็ สาบาทาทีเดียวนะที่จะรุมเหยียบคุณชา ย, ยันร้องออกมาระพินพูดเมื่อครู่นี้หมายถึงอะไรยังไงคะบเบลถามฝ่ายของเชิถาขึ้นอนุชาเป็นฝ่ายตอบแทนขึ้นว่าเขาพูดเป็นคำกรอนโบราณซึ่งมีความหมายคล้ายๆกับว่า I'll be loving you internally y ู่ในที่นี้ก็หมายถึงน้องสาวของพวกเรานั่นเอง และถ้าเขาไม่ให้สัตว์ปฏิญาณออกมาแบบนี้แล้วก็เขาตายแน่ตายจริงๆด้วยว่าแล้วอนุชาก็ขอดคอรพินพาเดินแยกกลุ่มออกไปกระซิบพูดกันอย่างลูกผู้ชายนี่คุณไม่เคยเห็นคริสติน่าสวยในสายตาของคุณบ้างเลยหรือดูคืนนี้สิอลิซาเบธเทรเอร์สมัยยังสาวๆอยู่ทำอะไรคริสไม่ได้เลยพรานใหญ่ยิ้มขรึมๆผมยอมรับว่า คริสสวยมากแต่ผมรักน้องสาวของคุณชายกลางไม่ใช่เพราะความสวยแต่รักเพราะคุณงามความดีประจำตัวของเธอต่างหากเธอมีความเมตตาปราณีต่อผมมาตลอดอย่างเสมอต้อนเสมอปลายและคนอย่างผมมีรักเดียวใจเดียวไม่ถือโอกาสหรือหาเศษหาเลยกับผู้หญิงอื่นด้วยดีมากไอ้น้องชายอนุชาเน้นเสียงแล้วตบไหล่เขาหนักๆพร้อมกับพยักหน้างึกเึ ไม่เสียแรงที่ตามมานะคุณไม่ทำให้น้อยผิดหวังก็เหมือนไม่ทำให้พวกผมผิดหวังไปด้วยน้อยแทบจะล้มประดาตายเมื่อทราบข่าวว่าคุณจากหนองน้ำแห้งมาและทะเลาะ ก, กับผมมาตลอดทางเพราะผมไม่เชื่อว่าคุณจะเป็นคนมีความมั่นคงต่อความรักถึงขนาดนี้แต่เขาเชื่อมั่นในตัวคุณเสมอกระพินกระพุ่มมือไหวผมก็รู้สึกซาบซึ้งจนไม่อาจกล่าวอะไรได้แล้วครับ สำหรับความกรุณาของพวกท่านทุกคนที่มาติดตามผมในคราวนี้เมื่อดารินวราฤทธิ์ก้าวเข้ามาในห้องอันกำลังจับกลุ่มสนทนากันอยู่นั้นเสียงคล้องชัยจากที่ใดที่หนึ่งซึ่งดูเหมือนจะมีการจัดเตรียมกันไว้ก่อนแล้วก็ลั่นดังก้องขึ้นกระหึ่มไปทั้งห้องตัวหล่อนเองกำลังก้าวเดินอย่างเร่งรีบก็พลันชะงักหยุดกึกเพราะเสียงคล้องนั้นเช่นกัน ในขณะที่ทุกคนณนที่นั้นหันมาและมองเห็นหลอนเป็นตาเดียวความเงียบขนาดเข็มตกได้ยินก็พลันปรากฏขึ้นณนที่นั้นทุกคนเมื่อจ้องมาพบน้องสาวคนเล็กของคณะก็พากันตะลึงตาค้างกันไปหมดรถพินจ้องขม็งและกระสิบออกมากับตนเองเบาที่สุดว่าจิตตรางคนางทั้งหมดในสถานที่นั้นแม้แต่พวกพี่ชายของหลอนเองบัดนี้ก็จ้องตะลึงกันไปหมด ในสิริลักษ์รูปโฉมและเครื่องประดับของน้องสาวที่ทุกคนไม่คาดคิดไปถึงมาก่อนว่าหลอนจะถูกตกแต่งให้กลายเป็นเจ้าหญิงอย่างแท้จริงไปถึงเพียงนี้นั่นน้อยหรือใช่แน่หรือชายันยกมือขยี้ตาพึพรรมพำออกมาในขณะที่อนุชาและเชษฐายืนจ้องนิ่งการปรากฏกายของหลอนสะกดทุกสิ่งทุกอย่างในที่นั้นให้สนิทนิ่งไม่ไหวติงไปชั่วขณะ และดูเหมือนจะทำให้ภายในสถานที่อันเป็นที่จัดเลี้ยงนั้นสว่างสวยัยเรืองรองไปหมดด้วยทนิมพิมพ์พาพรที่ประดับอยู่ทางด้านของสแตนลีย์นั้นพากันเขม็งจ้องดูอย่างตื่นเต้นและมีเสียงผิวปากเฟี้ยวออกมาเบาๆจากนายคิด พ, พร้อมกับรำพึงออกมาพึมพำอย่างลืมตัวไม่น่าเชื่อสายตาเลยนั่นคุณหญิงดารินหรือไม่ใช่ ผู้กระซิบตอบมาเบาๆคือคริสติน่าผู้ยืนอยู่ใกล้ชิดนายคิดมากที่สุดในครั้งนี้เธอจำภาพปั้นของผู้หญิงคนที่ประทับอยู่บนบันลังอันแกะสลักอยู่บนฝาผนังของสุสานเมืองนิทรานครได้ไหมหลอนมีชีวิตจริงขึ้นแล้วและกำลังยืนอยู่นั่นไม่ผิดไปหรอกจริงด้วยหลอนคล้ายเจ้าหญิงในภาพแกะสลักองนั้นมากเบลอุทานออกมาอีกคนหนึ่ง ดารินมองทุกคนที่กำลังจ้องตะลึงอยู่ที่หล่อนด้วยความกระอักกระอ่วนใจเล็กน้อยสภาพการแต่งกายของหล่อนยามนี้มันโดดเด่นออกไปเหลือเกินซึ่งหล่อนรู้ตัวดีและทันทีนั้นหล่อนก็ทำลายสภาพอันตื่นตะลึงและสภาพที่ทำให้ตัวเองมีความรู้สึกเก้อเขินนั้นโดยการเยื่องย่างตรงเข้ามายัางบริเวณที่ทุกคนยืนอยู่ในทันทีด้วยใบหน้าอันยิ้มละรื่นบกมือทั้งทายให้แก่พวกพี่ๆของหล่อน แล้วเดินตรงไปจับมือทักทายกับคริสและเบลพร้อมกันขอโทษด้วยนะสำหรับทุกคนที่ฉันโผล่ออกมาล่าช้าที่สุดพวกนั้นช่วยกันจับฉันแต่งตัวซะอย่างเป็นบ้าเป็นหลังหวังว่าฉันคงไม่เป็นตัวตลกสำหรับทุกคนนะเสียงเบลเกี้ยวกาวกล่าวชมชุดของหลอนลั่นไปหมดแต่สำหรับคริสดึงเอาหลอนเข้าไปกอดไว้แน่นสัมผัสนั้นบอกแกนแท้ จ, จริงใจแห่งความเป็นมิตรรักใคร่สนิท เธอควรจะสวยที่สุดสำหรับคืนนี้ถูกต้องแล้วน้อยเพราะเธอเป็นเจ้าสาวพวกเรามากันในคืนนี้ทั้งหมดไม่ใช่เพราะต้องการมาร่วมสังสรรค์ตามรับสั่งเชิญขององค์จักรราษและเมญานีอย่างเดียวแต่พวกเราทั้งหมดมาเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับเธอและครูระพินด้วยคริสนี่แปลว่าเธ อ, ร, อร้องออกมาเบาๆอย่างตื่นเต้นอีกฝ่ายยิ้มจุบที่แก้มเบาๆ ใช่พวกเรารู้กันหมดแล้วด้วยความยินดียิ่งและเข้าใจอะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องที่ว่าเหตุใดเมื่อคืนที่ผ่านมาพวกเราจึงไม่มีโอกาสได้อยู่ร่วมในงานด้วยแต่ก็จะมีโอกาสในคืนนี้ยังไงล่ะเธอเป็นทั้งเจ้าหญิงและเจ้าสาวในคืนนี้แต่น่าเสียดายไป น, นิดที่เจ้าบ่าวของเธอยังสงบเสงี่ยมเจียมตัวจนเกินไปเธอดูเขาแต่งตัวมาหาเธอคืนนี้สิ ว่าแล้วคริสก็พยักหน้าไปทางรับพินผู้กำลังจ้องมาที่หล่อนตาไม่กระพริบอยู่ก่อนแล้วและความจริงในการย่างเข้ามารวมกลุ่มหล่อนก็มองเห็นรับพินในเครื่องแต่งกายชุดพรานป่าอันแปลกตาไปกว่าคนอื่นๆแล้วเช่นกันเพียงแต่ยังไม่มีเวลาสมควรที่จะเข้าไปทักเท่านั้นเมื่อหันไปเจอสายตาหลอนก็ส่งยิ้มให้เขามีอาการเหมือนจะส่งจูบให้ด้วยแต่ก็ยังพูดกับคริสว่าเขาจะอยู่ในชุดไหน แต่งตัวอย่างไรเขาก็คือเจ้าชายและเจ้าบ่าวของฉันอยู่ตลอดไปนั่นแหละรบพินจะไม่ใช่รบพินไปได้เลยถ้าเขาไม่อยู่ในชุดโกโรโกโซเช่นที่เราเห็นจนคุ้นตาชุดนี้และฉันก็ชอบที่จะให้เขามีลักษณะเช่นนี้แหละเป็นการดีมากที่เธอไม่หงุดหงิดเกลี้ยวกราดหรือขุนเคืองเขาในการที่เขามาในงานคืนนี้ด้วยชุดเดิมชุดนี้เบลบอกออกมาปนหัวรอคิก และเมื่อ น, นั้นเองเชิดวุฒคิดและสแตนลีย์ก็เข้ามายิ้มแย้มกล่าวทักทายชมเชยหลอนสำหรับเชิดวุฒกระซิบว่าคืนนี้พี่หญิงของผมสวยสง่าเหลือเกินราวกับเจ้าหญิงในเทพนิยายพี่ชายของผมมองอยู่ด้วยความสุดปลื้มโน่นนะครับงั้นหรือคะพ่อน้องชายเอาเถอะให้เขามองอยู่อย่างนั้นแหละเพราะเขาไม่ได้มองเห็นพี่อย่างนี้มานานแล้วนานนับอนันตการทีเดียว หลอนเน้นเสียงโดยที่เชิดวุฒไม่ทราบความหมายและภายหลังสนทนากับสแตนลี่คิกและเชิดวุฒอีกสองสาประโยคหลอนก็เดินตรงไปยังกลุ่มของพี่ชายทั้งสที่ยังพากันกระพริบตาปริบๆกันอยู่อย่างงุนงงโอ้โหเสียงพี่ชายใหญ่ครางต่ำๆในลําคอพดดลิกดูหลอนจากศรีรษะจรดปลายเท้าอะไรกันนี่น้อยยี่เกอหลงโลงหรือคะน้องสาวเอียงคอถามอมยิ้ม ประกายเครื่องประดับบนกายของหล่อนส่องแสงวูบวาบลานตาไปหมดทำไมน้อยแต่งตัวประหลาดไปถึงเพียงนี้มันเกินสภาพของเราในมรกตนครนี่นะและคืนนี้ราชนีเมยานีก็เสด็จมาร่วมงานด้วยมันไม่เป็นการสมควรเลยก็ทั้งราชนีเมยาณีและทั้งจักราธิราชนั่นล่คะค่ะบังคับให้น้อยต้องแต่งตัวอย่างนี้หล่อนตอบไปตามตรงน้อยแต่งตัวเองเมื่อไหร่ สิ่งของเหล่านี้น้อยจะไปเอามาจากไหนถ้าไม่ใช่เพราะราชสำนักมรกกนครจัดเตรียมไว้หมดทุกอย่างจะไม่แต่งก็ไม่ได้ถูกบังคับขนาดเมยานีเองแอบไปยืนคุมกำกับอยู่น้อยนั่งให้พวกนางข้าหลวงกำนันพวกนั้นจับแต่งตัวเหมือนตัวเองเป็นตุ๊กตาจะปฏิเสธหรือแสดงความเห็นอย่างใดก็ไม่ได้สักอย่างก็เพราะอย่างนี้ไงคะถึงได้โผล่ออกมาช้ากว่าทุกคน ทั้งทงที่เขามาถึงสถานที่นี้กันหมดแล้วทั้งสามชายมองหน้ากันเองอีกครั้งอย่างง ง, งๆพูดอะไรไม่ถูกแต่ก็ชื่นชมโสมนัสที่เห็นน้องสาวอยู่ในชุดที่สง่างามเพลิดพลายไปหมดทั้งเรือนร่างคริสหรือเบลนั้นก่อนดารินจะปรากฏตัวออกมาทั้งสองสาวอเมริกันถึงแม้จะเป็นเจ้าหญิงก็เจ้าหญิงของประเทศราชหรือประเทศในอนาณาจิกมเท่านั้นทุกคนมีความรู้สึกเหมือนกันหมด แม้แต่เจ้าตัวของคริสและเบลเองและที่สง่าเหนือกว่าเครื่องประดับใดๆก็คือมงกุฎไพรชอบปักษาสวรรค์ที่สวมประดับอยู่รอบศรีรษะของหล่อนนั่นเองหล่อนพลาจากบรรดาพวกพี่ๆที่กำลังจ้องสมรดจเรือนกายของหล่อนอยู่เดินตรงเข้าไปยังรพินไพรวันผู้ยืนสงบแยกกลุ่มออกมาเล็กน้อยและมองจับตามการเคลื่อนไหวของหลอนทุกขณะ ได้มาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าและส่งมือทั้งสองไปให้เขาจับและกระซิบถามว่ามีอะไรผิดแปลกไปไหมคะมีเขาตอบหน้าตาเฉยอะไรเอ่ยแก่ไปนิดคุณหญิงเมื่อครั้งกัะนั้นสาวกว่านี้หน่อยแทนที่จะโกรธหล่อนปล่อยคลิกใช่ค่ะฉันแก่ไปหน่อยแล้วเมื่อเทียบกับผู้หญิงคนนั้นในอดีตแล้วดูให้ดีสิ ราสิงหราชที่ติดอกชั้นนี้ของใครของยุพ ร, ราชแห่งแคว้นปัญจานกระติดอุระให้แก่มกุฎราชกุมารีจิตรางคนาณหน้าราตรีที่จะพระจากกันในอุทยานแห่งนั้นแง่าสายเก็บส่วนละเอียดไว้ได้หมดขอบคุณที่ยังจำได้และเห็นไหมคะบนศีรษะของชั้นนี้มันคืออะไรนั่นเป็นสิ่งที่ผมปรารถนาและเทิดทูนที่สุดในบรรดาเครื่องอิสริยยศทั้งหลาย เพราะมันเป็นมงกุฎจากใจของใครคนหนึ่งที่เคยสวมไว้ให้เช่นกันใช้ได้สำหรับความทรงจำก็น่าแปลกดีเหมือนกันนะเมื่อจิตราคนางได้พบกับระพินไพรวันแทนที่จะพบอัคคีรุษทั้งสองตอบโต้กันด้วยเสียงแผ่วกระซิบซึ่งจะได้ยินเฉพาะสองต่อสองเท่านั้นขณะนั้นเองก็มีเสียงคล้องกระหึ่มกลางวานขึ้นอีกครั้งหนึ่งทาให้ทุกคนไหวตัวพร้อมกัน มหามนตรีก็เข้าเข้ามาก้มศีรษะโค้งทุกคนพร้อมกับประกาศก้องว่าองค์จักรราธิราชและมหาราชนีเมยานีสเสด็จเสียงพูดกันแซดในห้องนั้นเงียบกริบลงชั่วขณะทุกคนยืนสำรวมกายนิ่งหันไปยังปากทางเข้าเป็นตาเดียวในลักษณะเกือบจะเหมือนเป็นการตั้งแถวรับเพียงแต่ว่าใครยืนอยู่ตำแหน่งใดก็ยืนอยู่ณที่นั้นเท่านั้นโดยไม่ขยับขยื่น ครั้นแล้วพระศิริลักษณ์อันงามส ง, ง่าของทั้งสองพระองค์ก็เสด็จดำเนินผ่านมุมบังของทางเข้าด้านหน้าเข้ามาทั้งจักราธิราชและเมยานีต่างอยู่ในฉลององค์ชุดปกติธรรมดาตามสบายอย่างในขณะที่เสวย อ, อิทธารมณ์เป็นการส่วนพระองค์และไม่มีข้าราชบริพารหรือขุนทหารใดๆตามเสด็จเข้ามาด้วยเลยเป็นเพียงลําพังสองพระองค์เท่านั้นพระภาพของทั้งคู่อิ่มเอิบและมีอาการแย้มโสนน้อย เนตรเป็นประกายขณะที่แลจับเข้ามายัางทุกบุคคลภายในห้องโถงใหญ่ที่พากันยืนเรียงรายกันอยู่พวกผู้ชายก้มศรีรษะลงถวายเคารพและพวกผู้หญิงอันมีเพียงสามคนย่อกายลงทอนสายบัวจักราชโบกพระหัตขณะที่เสด็จดำเนินเข้ามาพร้อมกับรับสั่งขึ้นด้วยสำนวนและกระแสพระสุรเสียงปกติอย่างสามัญชนว่ายินดีที่ได้พบทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมบอกแล้วว่าคืนนี้ เราจะพบกันอย่างไม่เป็นพิธีการใดๆทั้งสิ้นนอกจากความเป็นเพื่อนเท่านั้นเห็นไหมผมมากับเมียเพียงสองคนเท่านั้นเราอย่าไปคํานึงถึงพนักงานรับใช้หรือบริวารบริกรที่จะให้ความสะดวกทั้งหลายซึ่งเขาต้องทํางานตามหน้าที่พระสุรเสีงนั้นกังวานกล้องไปทั่วได้ยินชัดเจนทุกคนพร้อมกับสวนเบาทอดเนตรไปยังทุกคนตามลําดับ พร้อมทั้งเอ่ยนามของแต่และบุคคลเหล่านั้นเบาๆเหมือนจะตรวจนับว่าครบจำนวนบุคคลหรือไม่และเมื่อมาถึงดารินพระองค์ย้มสวนกว้างออกไปอีกจนเห็นไรทนมีพระอาการเหมือนจะนอ้อมศีรษะแสดงคารวะน้อยๆซึ่งถ้าใครไม่สังเกตให้ละเอียดก็จะไม่ทันเห็นอาการนั้นรับสั่งว่านาหญิงของผมสว่างสดใสามากในคืนนี้อดิตการกำลังชนกับปัจจุบันการ และที่ว่ากำลังพบกับราตรีที่มรกรนครแห่งนี้รับสั่งที่เป็นนซ่อนเร้นนั้นคงไม่มีใครที่จะอ่านออกหรือเข้าใจความหมายได้นอกจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีโดยตรงสองคนเท่านั้นและจากนั้นก็ทอดเนตรกวาดละต่อไปยังคริสและเบลทักว่าคุณทั้งสองคนคนหนึ่งเหมือนนางพยาชีบา้าและอีกคนหนึ่งเหมือนเดลลาผู้เลอโฉม ผมและเมยานีรู้สึกเป็นสุขมากทรงรับสั่งเหมือนบุคคลที่อยู่โลกแห่งอรารยธรรมภายนอกในปัจจุบันนี้นะเพคะเบลทูลขึ้นปนหัวเราะอกกระเพื่อมจักราศเลิกพระขนงขึ้นน้อยๆ้ออา้าวก็คุณหรือพวกคุณไม่ได้รู้มาก่อนห ร, อหรือว่าผมหนีออกมาจากโลกแห่งอรารยธรรมภายนอกในยุคนี้เมื่อไม่นานมานี้เองถ้าไม่ใช่ที่มรกนครนี่ผมก็คือมนุษย์ปกติธรรมดา เสมือนอย่างพวกคุณนั่นแหละพูดภาษาของพวกคุณเรียนรู้อรารยธรรมของพวกคุณซึ่งเจริญแต่เฉพาะในด้านวัตถุเท่านั้นส่วนศีลธรรมจริยธรรมกำลังดิ่งลงสู่ความหายนะรับสั่งดังนั้นแล้วก็สวนออกมาอีกเบาๆในลำพระสอทุกคนของฝ่ายอเมริกันถึงกับพากันอึง้งคอแข็งไปหมดเบลฟืนยิ้มเจรนๆทูลตอบมาว่า ทรงรับสั่งว่าหม่อมชั้นทั้งสองคนหนึ่งเหมือนชีบา้าและอีกคนหนึ่งเหมือนเดไลลราหม่อมฉั้นอยากจะให้ทรงชี้ชัดเพคะว่าคนไหนคือชีบา้าและคนไหนคือเดไลลราจักรราชีพระหัตถ์ไปที่หล่อนรับสั่งว่าคุณอิซาเบลคุณเหมือนนางพญาชีบ้ามากเพชรเม็ดที่ประดับอยู่บนหน้าผากของคุณเม็ดนั้นเป็นเม็ดสีชมพูผมคิดว่าถ้าหลุดออกไปสู่ตลาดเพชรที่นิวยอร์คราคาคงไม่ต่ำกว่า50บล้านดอลลาร์ เพคะหม่อมชั้นภูมิใจมากที่มีโอกาสได้สวมสร้อยประดับเพชรเมร็ดนี้ที่มีค่าสูงมากซึ่งในชีวิตของหม่อมชั้นจะไม่มีโอกาสเลยแม้แต่จะเห็นและถ้าอย่างนั้นในสายพระเนตรเดลัยล่าก็ควรจะเป็นคริสตินาเพคะใช่ไหมใช่แล้วคริสตินาเหมือนเดลัยล่ามากที่สุดงามอย่างมีสเสน่ห์ลึกลับรับสั่งพรางนอมเสน ล, ลงเล็กน้อยทอดพระเนตรจับมายัางคริส ผู้ซึ่งย่อกายลงถวายเคารพอีกครั้งทูลตอบว่าแต่หม่อมฉันจะไม่เป็นเดลล่าที่หักหลังทรยต์ต่อแซมสั้นหรอกเพคะเป็นเดลาลาที่ไม่มีพิษสงอะไรอีกแล้วควรจะเป็นเช่นนั้นเพราะในเขตรมรกตนคร น, นี่รัศมีแห่งสัตธธรรมได้แผ่เข้าครอบงำดวงจิตของคุณแล้วว่าแต่ทรงแซงทาเป็นกวาดเนตรค้นหาแล้วรับสั่งต่อมาว่า นี่แซมสั้นของผมหายไปไหนแล้วดารินเป็นคนตอบแทนให้พร้อมทำขยักหน้าไปทางรพินน่นยังไงคะแซมสั้นของพระองค์แซมสั้นผู้ไม่มีพละงกำลังใดๆเหลืออยู่อีกแล้วเพราะหม่อมชั้นเป็นคนตัดผมของเขาออกไปซิเองไม่ใช่เดลิล่าเป็นผู้ตัดหรอกเขายืนพร้อมสี่โครงบานอยู่นั่นไม่ได้อุดมไปด้วยมัดกล้ามแต่อย่างใดทั้งสิ้น มีหนำซ้ำยังขัดพระราชาสวนีของราชนีเมยานีที่ทรงขอร้องให้พวกเราทุกคนรวมทั้งเขาด้วยแต่งกายเยี่ยงชาวมรกกนครแต่เขากลับแต่งมาในชุดพรานป่าพระเนจรและดูทุเรศในตาอยู่เหมือนเดิมจักรราทรงหันไปพบรพินก็สวนลั่นออกมาอย่างขบขันและคนพึงพอพะดทายยิ่งในวาจาอันเฉียบคมของดารินและสภาพอันยืนสงบนิ่งวางหน้าไม่ถูกของรพิน อ๋ออยู่นั่นเองหรือแซมสั้นแต่งชุดพรานป่าอยู่เหมือนเดิมว่ายังไงเมยานีเขาขัดคำสั่งของเธอประโยคหลังทรงหันไปโอบกฤษฎีของราชนีแสนสวยพลางรับสั่งถามยิ้มยิ้มสำหรับรายนี้ยกเว้นให้เสียคนหนึ่งเพคะเขาไม่ยอมเล่นละครกับเราด้วยและหม่อมชั้นก็ไม่ได้ถือโทษแต่อย่างใดทั้งสิ้นพลางเมยาณีก็สวนคิก รับสั่งสุรเสียงดังกลัวสวนไปทางพรานใหญ่ว่าตามสบายนะพี่รพินจอมพรานก้มศรีรษะลงนิดหนึ่งยิ้ม ม, มุมปากเป็นพระมหากรุณาธิคุณทั้งสองพระองค์จักรราศทรงทักทายเชิถาอนุชาชัยยันตลอดจนฝ่ายของอเมริกันทุกคนทั่วหน้ารวมทั้งหันไปบวกพระหัตถ์ให้กับพวกลูกหาบและพรานพื้นเมืองของรพินด้วยแล้วรับสั่งให้ทั้งหมดเข้าประจาที่ พระองค์เองเสด็จเข้ามาจับข้อมือรบพินไว้แล้วจูงเดินเข้ามาในระหว่างที่เมยานีก็ดำเนินตรงไปยังดารินจับมือต่างฝ่ายต่างถูกจูงเข้ามาหากันและถูกนำมาเคียงคู่กันท่ามกลางวงแวดล้อมของฝ่ายเชษฐาและอเมริกันพระเจ้ากรุงมรกฎนครทรงประกาศขึ้นได้ยินกล้องไปทั่วห้องนั้นว่าคืนนี้นอกจากเราจะร่วมเสวนาปราัยร่วมรับประทานอาหารด้วยกันแล้ว เราจะมาร่วมดื่มฉลองให้แก่คู่บ่าวสาวคู่หนึ่งซึ่งได้ผ่านพิธีวิวาไปแล้วเมื่อคืนนี้ด้วยเป็นเสมือนพี่ชายและพี่สาวของผมเองผู้กองรพินไพรวันและคุณหญิงดารินวราริศผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกท่านฝ่ายอเมริกันทั้งหมดคงจะได้ทราบข่าวกันมาบ้างแล้วหรือว่าใครยังไม่ทราบ ประโยคหลังพระเจ้ากรุงมรกกนครวางสีพระพักตายแ้งร้องถามไปยังอเมริกันทุกคนสแตนลียิ้มกว้างทูลว่าพวกเราทราบกันหมดทุกคนแล้วพระเจ้าค่ะถึงการวิวาของบุคคลทั้งสองท่านนี้ซึ่งพระองค์และญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายหญิงเป็นผู้จัดดำเนินการให้และพวกเราทุกคนมีความยินดีมีความสุขด้วยฉะนั้นก่อนที่เราจะนั่งลงและสนทนารับประทานอาหารกัน ผมอยากจะขอร้องให้ทุกท่านหยิบถ้วยขึ้นมาถือในมือไว้ขอร้องครับเดี๋ยวนี้ยกเว้นคู่บ่าวสาวเท่านั้นที่ขอให้ยืนจับมือกันไว้เฉยเฉยเช่นนี้ก่อนทุกคนตื่นเต้นต่างรับถ้วยมาจากนางพนักงานซึ่งดูเหมือนจะเตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้วมาถือไว้ในมือพร้อมกันพนักงานอีกชุดหนึ่งก็เข้ามารินเมรชั้นเลิศอันกลั่นหมักด้วยผลไม้บางชนิดส่งกลิ่นหอมจรุงชวนดื่ม ดมลงในถ้วยที่หยิบขึ้นมาถือในมือทุกคนรวมทั้งของพระเจ้ากรุงมรดกนครและราชนีเมญานีด้วยเมื่อชาวพนักงานหรือบริกรที่คอยปรนิบัติรับใช้อยู่เหล่านั้นได้ถอยห่างออกไปแล้วจักราชิราชเจ้าก็ทรงชูถ้วยในพระหัตถ์ขึ้นสูงทุกคนปฏิบัติตามและเมื่อนั้นก็ทรงประกาศก้องขึ้นว่าในพระนามของพระศิวะเทพและศรีมหาอุมาเทวี ในานามของจักราที่ราชเจ้าราชนีเมญานีประชาชนชาวมรกตนครทั้งหลายพรานทั้งสีของระพินและลูกบ้านนองน้ำแห้งอันเป็นลูกหาบที่มาในครั้งนี้ทุกคนรวมทั้งพวกท่านฝ่ายอเมริกันทั้งหมดที่มาประชุมกันอยู่ณที่นี่ด้วยเราขอให้คุณหญิงดารินวราริตและพรานใหญ่ระพินไพรวันจงครองรักร่วมกันด้วยความสุขสมบูรณ์ทุกทวาราตรี และไม่มีสิ่งใดที่จะต้องมาทำให้พลาดพลาดจากกันอีกแล้วตลอดไปชั่วอายุไขขอให้ทุกท่านทุกคนณที่นี่ดื่มให้แก่คู่บ่าวสาวทั้งสองพร้อมกันด้วยสาธุณบัตรนั้นภายในห้องก็แท่สนั่นไปด้วยเสียงโห่ร้องพวกอเมริกันเปล่งคำฮิปฮิปฮิปฮูเรส่วนฝ่ายไทยชายโยขึ้นสามครั้งแล้วถางลดถ้วยลงมาดื่มจนหมดเกลี้ยงด้วยความ พลอยปราบปลื้มยินดีและเต็มใจยิ่งรพินดารินยืนเคียงจับมือกันบีบแน่นกายสั่นน้อยๆด้วยกันทั้งคู่ด้วยความปิติสมนัสจนสุดที่จะบรรยายได้ในพระเมตตาของจักราธิราชเจ้าซึ่งทรงดำเนินการให้ทุกสิ่งทุกอย่างชนิดที่จัดเตรียมไว้แล้วอย่างเหมาะเจาะมีจังหวะจะโคนและบัดนี้เสียงคล้องชัยก็ได้ประโคมขึ้นอีก ดังกระหึ่มกล้องไปทั่วเป็นจำนวนหลายใบที่มองไม่เห็นแต่ดูเหมือนจะรายรอบไว้ทั่วปราสาทหลังนั้นมันดังช้าขึ้นก่อนในจังหวะแรกแล้วก็เร่งทีรวยยิบขึ้นครั้นแล้วเมื่อกังวานคล้องได้สุดสิ้นไปเสียงแตร ى, ปีกรองและสัพเะดุริยางก็บันเลงขึ้นทันทีทั้งคู่มีหยาดน้ำตาคลอเบ้าด้วยความปราบปลื้มจนสุดที่จะพรรณนาได้ต่างหันมามองตากัน และบัดนี้ก็โผลเข้ามาอยู่ในอ้อมแขนของกันและกันผลัดกันจูบแก้มซ้ายและขวาต่อมาก็จรดริมฝีปากสนิทแนบเข้าหากันท่ามกลางเสียงโ่ร้องอยู่รอบกายที่ดังซ้ำๆอยู่เช่นนั้นเวลาแห่งความปราบรื่มปิตินั้นได้ผ่านพ้นไปเป็นเวลานา น, านพอสมควรทีเดียวจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างค่อยๆจางหายไปคงเหลือไว้แต่เพียงเพลงพินไพเราะที่บัเลงลอยมาเบา เราไม่มีเวดดิ้งริงที่นี่จักรราทรงรับสั่งขึ้นอีกท่ามกลางความเงียบนั้นแต่เราก็มีสัพพดุรยางเพื่อการสยุมพรเป็นการอวยชัยให้พรครบถ้วนตามจารีตประเพณีของมรกรนครเอาละบัดนี้ทุกท่านได้มาเป็นสักขีพยานในการวิวาของพี่ชายและพี่สาวของผมพร้อมทางประสาทพรให้แล้วผมขอเชิญให้ทุกคนนั่งลงประจาที่ได้แล้วนบัดนี้ ระหว่างที่รพินและดารินยังยืนในสภาพที่ตื่นตะลึงทำอะไรไม่ถูกอยู่นั้นราชนีเมยาณีก็เข้ามาจับแขนดารินเชื้อเชิญให้นั่งลงยังตำแหน่งหนึ่งและจักรราชก็ทรงฉุดแขนรพินให้นั่งลงเคียงคู่พระเจ้ากรุงมรกฎนครหย่อนพระองค์ลงประทับขนาบข้างรพินในขณะที่ราชนีเมยานีก็ประทับลงข้างดารินต่อไปจึงเป็นเชทา ซึ่งชิดอยู่กับเมยานีอีกทีหนึ่งส่วนทางด้านซ้ายของจักรราชนั้นคือดรสแตนลีย์เบลนั่งสลับอยู่ในระหว่างอนุชาและชัยยันคริสติน่านั่งอยู่ในระหว่างเชิดวุธและคิดล้อมรอบเป็นวงกลมเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจะไม่กล่าวอะไรกับพวกเราบ้างหรือครับพระเจ้ากรุงมรกรนครทรงรับสั่งขึ้นปนย้มสวนภายหลังจากทุกคนได้นั่งกันเรียบร้อยรายรอบแล้ว รพินหันไปทางเจ้าสาวของเขาซึ่งไม่คิดว่าจะได้มาเข้าพิธีแต่งงานในมรกรนครแห่งนี้ดารินเอามือลอดใต้แท่นวงกลมมาจาับมือเข้าแน่นแล้วพยักหน้าฉันพูดอะไรไม่ออกแล้วรัพินขอให้คุณพูดเถิดเพราะถึงอย่างไรต่อไปนี้คุณก็คือผู้นำของฉันส่วนฉันจะเป็นผู้ตามเท่านั้นจอมพรานสูดลมหายใจลึกมองไปยังจั ก, กราทิราช เมญานีและทุกคนที่แวดล้อมอยู่น้ำเสียงของเขาต่ำลึกแต่กังวานได้ยินชัดเจนเราทั้งสองกำลังตกอยู่ในภาวะที่ตื่นเต้นปิติปราบรื้มในความกรุณาของพวกท่านทุกคนจนสุดที่จะกล่าวคำใดออกมาได้มากโดยเฉพาะพระเมตตามหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระเจ้าจาั ก, กราธิราชและสมเด็จพระราชนีเมญานี ตลอดจนท่านผู้ใหญ่ทุกท่านของฝ่ายเจ้าสาวไม่ว่าจะเป็นคุณชายเชษฐาคุณชายกลางคุณชายยันรวมทั้งพวกท่านฝ่ายอเมริกันทุกคนกับคุณเชิดวุฒิด้วยเราจะไม่ลืมคืนที่ผ่านมาแล้วเมื่อวานและคืนนี้จนตลอดชั่วชีวิตขอขอบพระไทยและขอบคุณและขอปฏิญาณไว้นที่นี้ต่อหน้าพระพักทั้งสองพระองค์และต่อหน้าท่านทั้งหลายว่า ผมจะรักคุณหญิงดารินไปจนหมดสิ้นลมหายใจของผมคุณหญิงดารินคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผมและเธอคือมงกุฎไพรของผมเป็นรางวัลแห่งชีวิตของพรานต่ำสักคนหนึ่งที่ได้รับมาอย่างไม่คาดฝันอีกครั้งเราทั้งสองขอข อ, ขอบคุณน้ำเสียงของเขาขาดหายไปในลาคอเพียงแค่นั้น จักราราชรปรหัสถ์นำขึ้นก่อนและเมื่อนั้นทุกคนก็ปรบมือกรียวกันขึ้นสนันเป็นเวลายาวนานต่อไปนี้เราจะดื่มกินและคุยกันให้สนุกละทรงรับสั่งต่อมาภายหลังจากเสียงปรบมือสุดสิ้นลงคู่รักทั้งสองได้สมรักกันเสียทีพวกเราทั้งหมดก็รู้สึกโล่งอกไปด้วย ใครจะโล่งอกแค่ไหนผมไม่ทราบได้แต่สําหรับผมและเมยาณีโล่งอกมากทีเดียวเพราะได้พยายามกระทําทุกสิ่งทุกอย่างและก็ได้ดําเนินมาสู่เป้าหมายที่ต้องการแล้วพระองค์ทรงทําอย่างไรเพคะทรงเข้าไปบําเพนตบะยานเพื่อดึงดูดเรียกร้องให้บุคคลทั้งสองมุ่งหน้ามาพบกันที่นี่ใช่ไหมเบลเอ๋ยถามขึ้นวายของมรกรนครกําลังออกรถสําหรับหลอน และความคุ้นเคยก็เริ่มมีมากขึ้นทุกทีถูกต้องเบลผมต้องเสียสละตัวเองอย่างสูงสุดทีเดียวบางทีก็แทบจะสิ้นลมปราณในการที่จะส่งกระแสจิตชักนำในเรื่องนี้ซ้ำนอกไปจากนั้นยังต้องคอยแบ่งพากไปให้การช่วยเหลือทางฝ่ายคุณและทางฝ่ายคุณชายแช่ฐาด้วยแม้จะไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเครื่องมาตกอยู่ที่นี่พวกคุณบังคับให้พรานใหญ่นาทาง ฝ่ายนายหญิงก็ตามพรานใหญ่มาอีกทีหนึ่งผมก็รู้แก่ใจแล้วว่าตัวเองจะต้องทำอย่างไรงสิงศัิษิ์ได้อุปการะช่วยเหลือทุกฝ่ายด้วยมิฉะนั้นทั้งสองฝ่ายจะพินาศกันทั้งหมดในเส้นทางทั้งสายนั้นสายที่จะไม่มีมนุษยามัธรรมดาคนใดเหยียบย่างเข้ามาถึงพระองค์เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิษราชธรรมและตั้งมั่นอยู่ในศีลสัตย์ จึงก่อให้เกิดเป็นพลังบารมีอิทธิฤทธิ์ขึ้นเราทุกคนล้นตกเป็นนี่บุญคุณของพระองค์ทั้งนั้นเรามารู้เอาภายหลังสแตนลีย์เ อ, อ่ยขึ้นอย่างสุภาพอ่อนน้อมชูถ้วยเมรัยให้แก่จักรราชนิดหนึ่งแล้วยกขึ้นดื่มนอกจากอิทธิฤทธิแล้วพระองค์ยังสูงเลิศไปด้วยวิชามายาคลด้วยข้าพระองค์กราบทูลออกมาจากใจจริงหวังว่าคงไม่เป็นที่ขุนเคืองพระไทยนายคีตบอกมาอีกคน เพราะหลายถ้วยเข้าไปแล้วทำให้ชักตึงๆจักรราทรงพระสวนเคยเน่นคิดคุณพูดถูกผมเป็นนักเล่นกลชั้นหนึ่งด้วยไม่เชื่อก็ลองถามพรานรพินดูสิแต่เขาไม่ค่อยจะชอบการเล่นกลของผมเลยเพิ่งจะมาชอบก็อีตอนนี้แหละพรานก็หันไปแปรเนธทางพรานใหญ่รพินเพียงแต่ยิ้มไม่กล่าวเช่นไรทั้งสิ้นแล้วก็ทรงหันไปทางเชิดวุฒน้องชาย ดูคุณจะเป็นคนเงียบขรึมที่สุดในคณะนะมีอะไรอยู่ในใจหรือหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเชิดวุดรีบกราบทูลพร้อมกับหัวเราะออกมาเบาๆข้าพระองค์กําลังพลอยยินดีอยู่กับพี่รพินและพี่หญิงดารินนั่งมองอยู่นี่เห็นว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันที่สุดเขาทั้งคู่เหมาะสมกันมานานแล้วเพียงแต่การเวลายัางไม่ประจวบเหมาะเท่านั้น เมยานีรับสั่งแทรกมาด้วยน้ำพระสุรเสียงร่าเริงแจ่มใสแต่ครั้งนี้การเวลาประจวบเหมาะที่สุดแล้วใช่ไหมเพคะเบลทูลถามขึ้นอีกตามประษาคนช่างจำนานเมยานีก้มเศษลงนิดหนึ่งย้ำสวนพลายทุกสิ่งทุกอย่างต้องรอการเวลาเขาทั้งคู่รอกันมานานแล้วไม่มีใครรู้หรอกก่อนที่เบลจะกล่าวเช่นไรต่อไปพระเนศของจักรราชก็จับไปทางคริส ซึ่งนั่งจิบน้ำเมาอยู่อย่างเงียบๆและทรงเอ่ยนามเรียกอย่างสนิทสนมว่าคริสตินาเพคะผมขอร้องอีกครั้งนะสำหรับทุกคนได้บอกแล้วว่าคืนนี้เราจะพบปะสังสรรค์กันเป็นการส่วนตัวและถ้าผมแทนสัพนามตัวเองว่าผมนั่นก็แปลว่าผมคือแงซทรายและเมื่อใดสัพนามตัวเองว่าข้าเมื่อนั้นผมก็คือจักราทิราชเจ้าแผ่นดินแห่งนี้ เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนอยากให้ผมมีความสุขในคืนนี้โปรดใช้คำพูดกับผมแบบปกติธรรมดาเอาละผมเรียกคุณอีกครั้งคริสติน่าคะดีมากรู้ไว้ด้วยว่าในบางขณะผมมีความสุขที่จะเป็นแงสายมากกว่าจักรราซ้ำไปเอาละผมจะถามคุณเรื่องงานอีกสักเล็กน้อยคุณแน่ใจว่าภายหลังจากที่คุณและคณะได้เข้าไปตรวจ ที่สรากเครื่องแล้วไม่พบกรรมตภาพรังสีระเหยออกมาจากหัวรบนิวเคลียร์ของพวกคุณหม่อมชั้นเอ้ยฉันมีความแน่ใจเช่นนั้นค่ะความจริงก็เชื่อมั่นที่คุณบอกไว้ก่อนแล้วแต่ต้องการทำงานให้สมบูรณ์แบบที่สุด จ, จึงจำเป็นต้องเข้าไปตรวจและพบว่ามันไม่มีสารกรรมตภาพใดๆระเหยออกมาเลยซึ่งน่าประหลาดมากและถ้าจะพูดถึงคาว่าประหลาดคริสยากหลย มันก็มีคำว่าประหลาดอยู่นับหมืนม่นๆมื่นนับแสนแสนเรื่องในการเดินทางมาของเราในครั้งนี้เป็นอันว่าจะไม่กู้กลับไปแล้วใช่ไหมคราวนี้จักรราศรับสั่งถามรวมๆขึ้นไปทางฝ่ายอเมริกันทุกคนสแตนลีย์ถอนใจเฮือกไม่แล้วเราจะลืมมันเสียให้สนิททีเดียวจะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้เฉพาะในความทรงจาที่เปิดเผยไม่ได้สาหรับพวกเราที่ได้มาพบเห็นโดยเฉพาะเท่านั้น ใครพูดคนนั้นจะถูกหาว่าเสียสติเราไม่ได้ห่วงห้ามไว้ไม่ให้พวกคุณเอา ก, กลับไปถ้ามีความสามารถมีปัญญาและถ้าเมื่อไม่สามารถที่จะกู้กลับคืนไปได้เราก็ไม่รังเกียจที่จะให้มันอยู่ในดินแดนของเราณนะที่นั้นตลอดไปที่บอกไว้แล้วพรางอดีตแงซ้ายก็หัวเราะออกมาเบาๆพวกคุณก็เหมือนเต่าที่บังเอิญขึ้นมาเห็นอะไรต่ออะไรบนบก ไม่มีโอกาสที่จะนำความไปเล่าให้กับปลาที่อยู่ในน้ำฟังและเชื่อตามไปได้เลยตราบใดก็ตามที่ปลาไม่สามารถที่จะขึ้นบนบกได้เพราะปลานั้นขึ้นบกเมื่อไรมันก็ต้องตายเมื่อนั้นเรื่องนี้เราหาหรือกันแล้วและเข้าใจดีแล้วพระเจ้าค่ะเอ้ยครับคิสบอกมาแง่ทรายเสียงเอ๋ยเรียกน้ำขึ้นเบาๆดังมาจากคริส พระเจ้ากรุงมรกรนครทรงหันไปทางหล่อนทันทีครับคุณเรียกผมหรือคำพูดนั้นอ่อนโยนสุภาพเป็นกันเองที่สุดคริสยิ้มอย่างสำรวมแล้วเอ่อยเบาๆต่อมาว่าฉันจะขอเรียกคุณอย่างนี้และขอใช้คำพูดกับคุณอย่างนี้เฉพาะคืนนี้ที่คุณขอร้องเท่านั้นพ้นจากคืนนี้ไปฉันและพวกเราทุกคน คงจะไม่บางอาจใช้คำพูดหรือสภานามแทนตัวพวกเราเองและตัวคุณเหมือนเช่นนี้อีกตกลงไหมคะผมอนุญาตตกลงครับระหว่างที่เรารอนแรมกันมาในป่าและเมื่อเรื่องร้ายแรงต่างๆได้เกิดทวีเพิ่มขึ้นทุกขณะคริสกล่าวต่อไปด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นชัดเจนของหล่อนซึ่งทุกคนเงี่ยหูสดับฟังว่า แม่ผมทองจะกล่าวเช่นไรกับพระเจ้ากรุงมรกรนครพวกเรารู้จักนามแง้ทรายจนคุ้นหูดีทีเดียวครั้งแรกก็จากพรานรพินและต่อมารายละเอียดบางส่วนที่เรารับทราบเกี่ยวกับคุณก็มาจากพรานทั้งสี่คนของเขาคือบุญคำจนันเกิดและเสยตัวพรานรพินหรือครูรพินนั้นจะไม่เอ่ยนามของคุณให้เราได้ยินบ่อยนักทำให้เราได้ทราบว่า คุณเป็นนักเดินป่าที่มีความสามารถเป็นเลิศเป็นบุคคลที่มีบุคลิกพิเศษและมีความสามารถในทุกทางเหนือระดับปกติชนรายเฉลี่ยพวกพลานพื้นเมืองเล่าถึงคุณจนทาให้เราเกิดภาพพจน์ทั้งๆที่ไม่เคยพบเห็นรู้จักตัวจริงมาก่อนและเก็บเอาความพิสวงนั้นไว้ในใจเงียบๆตลอดมาเรารู้กันแต่เพียงว่าถ้าเอ่ยถึงแง่ทรายนั่นหมายถึงความยิ่งใหญ่ในอาณาจักรของป่าดงพงไพร แทบจะไม่น้อยหน้าไปกว่าครูรพินทีเดียวแต่ครั้นเมื่อเราได้มาพบเห็นตัวจริงเข้าในเมืองมรกรนรครแห่งนี้เราพบว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นต่ำกว่าที่เราคาดคะเนมากนะักคุณยิ่งใหญ่ในทุกวิถีทางยิ่งกว่าเราคาดคะเนไปมากทีเดียวส่วนจะยิ่งใหญ่สักขนาดไหนฉันและพวกเราฝ่ายอเมริกันทุกคนคงจะไม่ต้องเอ่ยถึงจกราดน้อมเสียน ล, ลงนิดหนึ่ง สีพระพักละไมยอยู่ด้วยรอยยิ้มคริสขอบคุณที่กรุณาให้เกียรติยกย่องสรรเสริญผมผมเป็นศิษย์มีครูครับจึงดำรงตนอยู่ได้รอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ครูคนแรกของผมก็คือพ่อครูพรานนานอินที่นั่งอยู่โน้นทรงบุยพระโอษฐ์ไปทางโต๊ะของกลุ่มพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหลาย ส่วนครูคนที่สองคือพระธุดงที่พ่อลุงนันอินเอาไปฝากไว้ให้ผมร่ำเรียนวิชาซึ่งท่านมรณภาพไปนานแล้วและครูคนที่สามก็คือผู้กองรพินท่านนี้ท่านอบรมสั่งสอนผมมาสารพัด ส, สิ่งไม่ว่าโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจท่านก็คือปรมาจารย์คนล่าสุดของผมสิจใจดีได้เพียงไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับครูด้วยรับสั่งประโยคหลังสุด พร้อมกับมองด้วยพระเนตรแจ่มใสสุกสกาวไปยังจอมพรานผู้นั่งเหมือนอยู่ในอาการตะลึงเมื่อได้ยินรับสั่งเช่นนั้นซึ่งเขาก็รีบลนลานออกตัวมาโดยเร็วว่าหามิได้ผมไม่ได้เป็นครูสั่งสอนวิทยาการใดๆให้แก่แง่ทรายเลยตรงข้ามในอดีตนั้นผมเป็นคู่ปรับของเขาเสีย ด, ด้วยซ้ําไปแง่ทรายให้เกียรติผมเกินไปพระเจ้ากรุงมรดกนครสวนเบาๆในลําคอ เจ้าสิ่งที่ผู้กองเคยกวดขันดูด่าว่ากล่าวผมมาแล้วทั้งหลายนั่นแหละครับคือคำสั่งสอนที่ผู้กองอาจไม่รู้ตัวเองเยาว่าแต่จะเป็นอาจารย์สอนสภาวิทยาการให้เลยแม้แต่บัลลังก์มรกรกครแห่งนี้จักราชทรงทุบลงไปบนโต๊ะอาหารเบื้องพระพักเบาๆผมก็จะไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ถ้าปราศจากผู้กองรพินไพยวันเป็นเสนาธิการใหญ่วางแผนให้ทั้งหมด โดยมีคณะเจ้านายเก่าของผมเข้าร่วมมือด้วยซึ่งบุญคุณของผู้กองและบรรดาเจ้านายเก่าของผมทุกท่านผมไม่อาจทดแทนได้สาสมตลอดจนสิ้นชีวิตนี้ทีเดียวเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะผู้กองรพินและคุณหญิงดารินผมจึงรักเสมือนพี่ชายและพี่สาวร่วมสายโลหิตเราทั้งสามมีความผูกพันทางใจต่อกันชนิดจะไม่มีอะไรมาแยกออกเสียได้ขอให้พวกคุณเข้าใจไว้ด้วย ฉะนั้นเมื่อผมกล่าวว่ารพินไพรวันคืออาจารย์ของผมจึงไม่เป็นคำพูดที่ผิดความจริงไปเลยและคุณทรงชี้พระหัตถ์มาทางคริสคริสติน่าคุณคิดถูกแล้วที่ยอมประวราณาตัวเป็นสิทธิของบุคคลผู้นี้เขาเป็นผู้ประเสริฐสุดคนหนึ่งที่ควรจะยึดถือเทอทูลไว้ในฐานะครูบาอาจารย์ได้ผมว่าที่คุณรอดปลอดภัยและได้รับอันตรายมาน้อยกว่าทุกคนในคณะ ก็เพราะคุณยึดถือครูรพินเป็นหลักนี่แหละทุกคนในโต้นั้นได้ยินกระแสรับสั่งนั้นอย่างชัดเจนทั่วกันถ้าเช่นนั้นฉันเห็นจะต้องฝากตัวเป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งคริสไม่เห็นบอกอะไรฉันบ้างเลยฉันเลยเกือบตาอยู่หลายครั้งเบลเอ่ยแทะขึ้นปนหัวเราะยังไม่สายนี่ครับที่คุณจะรู้จักบุคคลท่านนี้ให้ลึกซึง้งและฝากตัวเป็นศิษย์อีกสักคนตราบใดก็ตาม ที่ในเที่ยวขากลับนี้ก็ยังจะต้องเดินบุกป่าเขาลเนาไพรกันอีกแต่ผมรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่สู้จะยี่ระหรือแคร์กับอะไรนักไม่ใช่หรือเบลและครูรพินก็เคยทางานหนักกับคุณมาเป็นการส่วนตัวมากพอสมควรในการที่จะกู้ชีวิตคุณไว้เพราะคุณไม่ค่อยจะเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของเขาจักราราสั่งมาอย่างให้สติเบลยังหัวเราะร่วนอยู่เช่นนั้นค่ะ ฉันเป็นฉะ่นนั้นจริงๆคุณรู้เห็นอะไรหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดินทางร่วมมากับเราด้วยตัวของคุณเองนั่นแหละพวกเราไม่รู้เลยว่าการดุด่าว่ากล่าวหรือห้ามโน่นห้ามนี่อยู่ตลอดเวลาของรพินนั่นคือการสอนของเขาและที่สาคัญที่สุดเขาชอบปล่อยให้เหตุการณ์ร้ายๆทาหน้าที่เป็นครูสอนเรากันเองผมเองก็เคยทะเลาะ ก, กับเขาแทบเป็นแทบตายเหมือนกันในระหว่างเดินทางแรกเริ่ม ขนาดต่อยกันก็ยังเคยนายคิดเอ่ยมาอีกคนพร้อมกับเป่าลมออกจากริมฝีปากเบาๆบัดนี้สายตาที่แลมาทางพรานใหญ่เต็มไปด้วยความรักสนิทใจคุณต่อยกับครูรพินจักราชทวนคำพรางแย้มโสนน้อยๆแล้วคุณชนะหรือได้เปรียบอะไรเข้าไหมผมหน้าแหกปากฉีกต้องเย็บเสียหลายเข็มแต่ที่สุดเราก็มารักกันอย่างเพื่อนร่วมตายได้ คุณตัวใหญ่กว่ารพินมากบางกันมิดทีเดียวนะแช่ทาร้องออกมาปนหัวเราะอย่างขันขันคิดเบ้ปากผมไม่เคยเรียนรู้เรื่องมวยไทยมาก่อนว่าพิสงมันแค่ไหนตัวเขามันเล็กแต่ฝีมือของเขามันยิ่งใหญ่กว่าขนาดรูปร่างมากนะักรู้ว่าอย่างนั้นก็เป็นบทเรียนที่ดีอีกอย่างหนึ่งชา ย, ยันเสริมมาและคุณรู้ไหมแง่ทรายซึ่งตัวสูงขนาดคุณและบางรพินมิตรเหมือนกันก็ยังไม่กล้าต่อยกับรพินเลย เป็นความจริงอย่างที่นายทหารชัยยันพูดครับอดีตแงซายยอมรับมาที่แงซายไม่ยอมต่อยกับผมก็เพราะกลัวว่าผมจะไม่รับให้ร่วมเดินทางมาด้วยต่างหากถ้าต่อยกันจริงๆเขาก็เตะผมตายเพราะตัวเขาใหญ่กว่าผมมากผมเห็นเขารำดาบแล้วก็รู้ว่าคนคนนี้มีฝีมือในด้านการต่อสู้ทุกชนิด ผมไม่ได้สรรเสริญเขาในฐานะที่เขามีบุญคุณอันยิ่งใหญ่แก่ผมในครั้งนี้แต่ผมรู้จักสังขารของตัวเองดีและแม้แต่เจ้าสาวของผมเองคุณหญิงดารินคนนี้ก็รู้ระหว่างผมกับแง่ทรายก็หวุดวิดจะเกิดเรื่องปรองกำลังกันหลายครั้งแต่แง่ทรายฉลาดกว่าเป็นฝ่ายหลีกเลี่ยงเสียเพราะเขารู้ว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะต้องใช้ผมให้นามากู้บัลลังก์คืนที่มรกนครนี่ รพินกล่าวออกมาตามตรงอย่างจริงใจเพราะฉะนั้นรายการนี้เป็นรายการลูกศิษย์หลอกใช้อาจารย์สิคาใช่ไหมเบลโหร อ, อคิกถามรนมุนรุนมายังรพินและพระเจ้ากรุงมรดกนครมันเป็นแล่อุบายที่ผมจะต้องทําเช่นนั้นครับและอุบายชนิดนี้ผมก็ไม่ได้มาจากไหนหรอกก็ได้มาจากการที่อยู่รับใช้ใกล้ชิดครูรพินนั่นแหละสรุปก็คือครูสอนให้อีกตามเคย